ความสุขความประพฤตชอบทางกายวาจาใจและกุศลลธรรมมีพุทธพจน์ ท, ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบารมีมาจากคำบาลีว่าปารมีมีความหมายว่าคุณความดีที่บาเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง หรืออีกความหมายหนึ่งคือความดีที่บำเพ็ญไว้ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงพระนิบพานแสนจันนุ่มนวนยามคืนเดือนเพ็นแสงเย็นให้ใจบำเพ็นภาวนาน้อมใจน้อมกายตามรอยบู้ชาต ในพระบุญญาอมสังขราชาไทยสมอง์พระอภิบาลราชนสมดังส่วนรวมศรัทธาด้วยหัวใจสมทําสายทานที่ยังรินไหลสมคําสมอย่าเปรียบไว้พระญาณสัง